เมื่อเบิกบานอยู่ในธรรมะไม่กวัดแก่งกายคือสงบนิ่งไม่อึดอัดอยากเขยื่อนเคลื่อนไหวไม่กวัดแก่งใจคือคลื่นความฟุ้งหยุดตัวลงหกสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นผลที่เกิดจากความระงับกายใจมีความสุขสงบจึงเหมือนน้ำนิ่งราบคาบไร้คลื่นลม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 และเห็นตนเองกำลังจะเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก